أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในสุรัตที่หนึ่งอนะครับก็คือบทที่หนึ่งรอยพอดีสุรัต อ, อิลัยดียัตซึ่งเป็นหนึ่งในสุรัตที่ส่วนตัวผมมองนะครับว่าในยุสอัลมาทั้งยุสสุรัตนี้เป็นสุรัตที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็ยากมากที่สุดในสุรัตในยุสอัลมารครับผมส่วนตัวที่เสีย น, นะครับส่วนตัว ซึ่งส่ตัวผมมองว่าถ้าเกิดใครสามารถตับซีสุร้หนนี้ได้แบบกระจ่างแบบเจ๋งเลยมาชาวล้อคนนั้นนี่สุดยอดครับซึ่งคนนั้นไม่ใช่ผมครับผมจะพยายามทำใดีที่สุดอินชาอัลลอ์ครับผมเรามาอ่านกันก่อ น, อนที่จะเริ่มทำการอธาาาิบายแล้วกันนะครับผมอ่านพร้อมๆกันสุร้หนนี้น่าจะท่องได้หลายท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะีม والعاديات ضبحا فالموريات ِ قدحا َ ف, ف, ف ا, ن ن ا, ف م ا ل م ِ ي ر َ ا ت ِ صبحا ُ فأذن ََ به ِِ نقع َ فوصل به ِ جمع إن الإنسان َ لربه َِ ل َ كنود وإنه ُِ على ذلك َ لشهيد ََ وإنه ُِ لحب الخير لشديد ََ أ, أ َ فلا َ يعلم ُ إذا ِ بعث ُ رما َ في القبور وحصل ََُ ما َ في الصدور إن رب َ บ่หุ่มบ่หิมเยาว์มอิซิ ล, ลขบรั บ, รบด้วยนามของลอผู้สงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเพียงไกลนะครับในสุรห้หนนี้พระองค์ลอได้เริ่มต้นด้วยกับการสาบานซึ่งอย่างที่พวกเราพูดกันเป็นประจำก็คือสำหรับพวกองค์ลอแล้วพระองค์สามารถสาบานกับสิ่งใดก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์แต่สำหรับพวกเราในฐานะบ่าวของพระองค์เราต้องสาบานต่ออัลลอ์เท่านั้น ซึ่งในที่นี้ครับพวกรถสาบานกับอะไรเรามาพูดคุยกันก็อนอื่นที่จะพูดคุยก็คือว่าสุร้อนนี้นักวิชาการนักอสาธิบายข้อเรื่องมีความเห็นต่างกันว่าสุร้อนนี้เป็นสุร้อนมักกียะหรือสุร้อนมาเดนิยะมีความเห็นต่างกันในหมู่ซาฮาบะด้วยว่าสุร้อนนี้เป็นสุร้อนมักกียะหรือว่าสุร้อมาเดนิยะมันแปลว่าอะไรครับสุร้อนมักกียะหรือว่าสุร้อมาเดนิยะแล้วถ้าเกิดมีความเห็นต่างแล้วมันมีผลอะไรกับการแปล อันนี้คือประเด็นที่เราจะคุยกันก่อนตอนนี้ประการแรกครับถือว่าเป็นการปูพื้นฐานเผื่อถ้าเกิดว่ า, าผู้ชมทางบ้านบางท่านอาจจะไม่แน่ใจในข้อมูลเรื ia, ่องมัคคิยามาเดนิยะมัคคิยามาเดนิยะเป็นศัพท์ที่นักอถาธิบายกุรอานใช้อธิบายว่าองค์การใดของพู้อาลลอฮ์ที่ถูกประทานก่อนที่ท่านอับดุลลอฮฺของอิสลามจะอพยพแล้วองค์การองค์การใดถูกประทานหลังจากอพยพแล้วซึ่งตามปกติองค์งการที่ว่าถูกประทานมาก่อนจะทําการอพยพเนี่ย ที่เราเรียกว่ามักกียะเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องฮุกกมบทบัญญัติอะไรเท่าไหร่จะพูดเกีับเรื่องการศรัทธาหรือว่าประิศาสตร์เป็นหลักส่วนสุรมัตนียะก็จะเป็นสุราตน์ที่ว่าหลังจากที่ท่านอิบยอบพยพไปแล้วคือหลังจากที่ละบียร์การเผยแผ่เป็นเวลาสิปีแล้วอัลลอฮ์ได้สั่งให้ท่านนั้นจากมักกะไปที่มดีนาะสุรัตน์ทั้งหมดที่ถูกประทานมาหลังจาก อ, อกพยพไปแล้วก็เป็นมดานียะ ทีนี้ครับเรามาประเด็นสําคัญว่าทําไมสุรที่ผ่านมาผมไม่ได้พูดคือสุรที่ผ่านมาก็มีทีละบางสุรว่าเป็นมักคิยะหรือมรณา<ม>เพราะนั้นไม่มีผลกับการแปลความหมายแต่ครั้งนี้ครับการที่เราระบุว่าเป็นมักคิยะหรือมรณานั้นมีผลทําให้ความหมายแปกออกไปต่างออกไปซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเป็นสเสน่ห์ของสุรนี้เป็นสเสน่ห์ของสุรนี้ก็คือ5้าอายะแรก สามารถแปลได้มากกว่า2แบบห้าอายะแรกนะครับผมก็เลยบอกว่าสุระอนนี้ค่อนข้างจะยากยิ่งถ้าเกิดการจะทําทความเข้าใจเพราะว่าต้องวาดภาพจินตนาการค่อนข้างจะสูงหลักๆครับท่านอิบนออับบาสซึ่งเป็นซาบะ ท, ที่เป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านการอธิบายกุรานได้บอกว่าสุระอนนี้เป็นสุรอมานียะก็คือหลังจากครบอยายุไปแล้วใครนะครับท่านอิบนออับบาส ในขณะทท่านอิบุน์ ม, มัสูดบอกว่าก่อนอบพยพเดี๋ยวเรามาดูความหมายทีละวัตทีละวัตตอนนี้ที่เรากำลังจะแปลนะครับแปลตามการอาธิบายของอิบนออับบาสเรย์โลอันฮุแปลตามอาธิบายของซ า, า, า, า, าบาที่เชิอมันบาซูรอนี้ถูกประทานมาหลังจากการอบพยกไปแล้วแล้วก็หลังจากอบพยกไปแล้วหลายปีไม่ใช่แค่2ปีคือถ้าท่านอาลีเน อ่ขออาขทษอท่านอารีเนรยอนรอวันฮูเนี่ยทัานมองว่าสุดร้อนนี้ถูกประทานมาในปีที่สองหลังจากการ อ, อุปยบผมเริ่มมาคันนี้เนี่ยจะเริ่มมึนกันได้ระดับหนึ่งเราดูความหมายแบบชัดๆที่นี่ตามกุฎานแปลฉบับนี้นะครับพวกเราขอสาบานด้วยกับอะไรครับในห้าอายาแรกแล้วพวกสาบานโดยมีเป้าหมายอะไรในอายาที่6เดี๋ยวเรามาคุยกันอายาแรกพวกเราว่าวัลลาอิเดียติโดบะแหขอสาบานต่อมาสึกที่หอบ ในขณะที่พุ่งกระโจนหมาศึกเป็นการขอสาบานที่ค่อนข้างจะแปลกครับต้องพูดตัวค่อนข้างจะแปลกเพราะปกติที่เราเจอก็คือขอสาบานกับดวงอาทิตย์ขอสาบานกับดวงจันทร์ขอสาบานกับอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่คราวนี้การสาบานขอละอพงสาบานต่อหมาศึกที่หอบในขณะที่มันกําลังพุ่งกระโจนต่อไปครับ เฟลมูริอาติโกเดฮาขอสาบานต่อกีบเท้าของม้าที่มันกระแทกกับหินจนเกิดประกายไฟจินตนาการภาพออกนะครับม้ามีกีบใช่ไหมครับเวลามันวิ่งเร็วๆขวดเร็วแล้ ว, ลวมันเหยียบหินบางทีมันจะเกิดประกายไฟเฟลมูริโอรอติซูบะแล้วก็ขอสาบานต่อม้าศึกที่จู่โจมฆ่าศึกในยามเช้าม้าศึกอีกแล้ว แล้วก็ทําไมต้องอยู่จมค่าศึกแล้วทําไมต้องเป็นเยนยามเช้าแล้วยิ่งกระแสะตอนนี้ยิ่งมีกระแสะเกียรติชังอิสลามอีกมาพูดเรื่องสงครามอีกเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์จะพยายามอธิบายให้เคลียร์ทุกประเด็นอินชาอัลลอฮ์จะได้รู้ว่าคําสอนของอิสลามจริงๆเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนนี้ที่พวกเราต้องการจะสื่อมีอะไรบ้างถ้าที่เราประชุมกันได้ยั้นเคลียร์นะครับผมกลัวเดี๋ยวจะมีใครไปตัดต่อไปแล้วไปใส่ซอสใส่ไข่ใส่อะไรอีกแล้วปวดหัวนะครับ ฝ่าอัษฎ์นาบีฮีนักไอ้พวงร้อยที่พูดต่อว่าซึ่งการจู่โจมในยามเช้าเนี่ยทำให้เกิดอะไรครับฝุ่นตลบอบอวนฝ่าวัตรนา บ, บีฮีจะมาแล้วม้าที่ว่าเนี่ยครับม้าต่างๆเหล่านี้ก็ได้ทะลุทะลวงเข้าไปยังใจกลางเมืองของค้าศึ ก, ใ, กใจกลางวงล้อมของค้าศึก5อายะนะครับพวงร้อยพูดหาอายะ ทั้งหมดสาบานเกี่ยวกับม้าหมดเลยแล้วก็เป็นม้าตอนที่กำลังทำศึกสงครามเดี๋ยวเรามาดูความเกี่ยวเนื่องกันเรามาดูอายะที่6ครับอินเนลอินซานลีรับบีฮีและกันูดแน่นอนมนุษย์นั้นช่างเป็นผู้ดื้อดึงต่อพระผู้อภิบาลของเขายิ่งอ่ะแล้วงงไหมครับเกี่ยวอะไรกับการสาบานม้าห้าอย่าง แล้วก็มาบอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ดื้อดึงเนี่ยละคุณเดี๋ยวอธิบายกันในแชร์ว่าอินนหูอิเลเจลิกาลชฮิดและเขาจะต้องเป็นพยานในเรื่องนี้อย่างแน่นอนอาจจะแปลว่าจะต้องเป็นพยานหรือแปลได้อีกอย่างว่าแล้วเขาก็รับรู้รู้เห็นเป็นใจดีในเรื่องนี้ในเรื่องที่เขาเป็นผู้ที่ดื้อดึงว่าอินนหูลิฮุบบิลไคลลิลชฮดและแน่นอนเขานั้นช่างลุ่มหลงคลั่งใครในทรัพสมบัติ อฟัฟแลยาและมูอิดะโบเซรามาฟิลกูบูรเขาไม่รู้หรือว่าเมื่อผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพได้ถูกคืนชีพขึ้นมาอิดะโบเซรอถูกฟืนฟ้นคืนฟื้นคืนชีพขึ้นมาถูกนำออกมาวาฮุสซีเลมาฟิสุดแล้วสิ่งที่แวาถูกปกปิดในหัวอกเนี่ยมันก็ได้ถูกตีแผลออกมาคือไม่ใช่แค่ตีแผ่สิ่งที่อยู่ในดินออกมาในอกก็ถูกตีแผลออกมาให้ได้รับรู้กัน อินนารับบะหุมบิหิมเยาวมาอิจินและขรเบียแน่นอนในวันนั้นปัจจุบันของพวกเขาย่อมรู้ดีถึงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเอ้าวเหครับเรามาพูดคุยกันในส่วนนี้อย่างละเอียดดิตอนนี้เท่าที่อ่านรู้สึกยังไงกันบ้างครับนอกจากคาว่ามึนความหมายชัดเจนถูกไหมครับกู้ราดง่ายอยู่แล้วคือสัพ์ชัดเจนความหมายชัดเจนแต่ว่าความหมายที่ลุ่มลึกลงไปเนี่ยต้องอาศัยการอธิบาย อธิบายที่ตั้งสัดของให้ชัดเจนการ อ, อื่นครับสุรานีิสุรัลอาดียัตในสายรายงานของท่านฮัสซันอัลบัสรีท่านฮัสซันบัสซรีถือว่าเป็นตาบีอินไม่ใช่ซาบานะครับท่านฮัสซันบัสรีเนี่ยท่านได้รายงานว่าในกุรานนั้นสุร์อิดาซุลเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของกุรอานแล้วก็วัลอาดียัตก็เทียบเท่าครึ่งหนึ่งของอัลคุรานเท่าไหร่นะครับครึ่งหนึ่ง อีคลาสนเท่าไหร่หนึ่งในสครับแต่ประเด็นที่ผมต้องพูดคุยให้ชัดเจนก่อนก็คือเมื่อผมระบุว่าท่านอัสซันบัสซีเป็นผู้ที่บอกโดยไม่ได้บอกว่าเอามาจากใคร h a d i t นี้จึงกลายเป็น h a d i t มุสซัลมุสซัลหมายความว่าเป็น hadith life ในหมู่นักวิชาการก็คือถือว่าความหมายไม่น่าจะมาจากท่านนบีมุสลอิมคือท่านอัสซันเป็นคนที่เชื่อถือได้ ถ้าท่านบอกว่าท่าได้ยินจากซาบาอย่างอิบเนอเบสพระธนสันเป็นลูกศิษย์ท่ทาอิบเนอเบสถทท้าธนาสันบอกว่าฉันได้ยินอิบเนอเบสพูดว่าท่านลบีพูดว่าวัลอาดิยะเทียบเท่าครึ่งของกุรานฮะดิสเซียสตีนําไปปฏิบัติได้เลยแต่เนื่องจากทธนสันไม่ได้พูดไว้เพราะฉะนั้นสายรายงานที่บอกว่าสุร้อนี้เทียบเท่าครึ่งหนึ่งของอัลกุรานจึงเป็นสายรายงานที่ดออีฟแต่การที่บอกว่าเป็นสายรายงานที่ดออีฟไม่ได้ทําให้คุณค่าในการเป็นกุรานลดลง เป็นคำพูดขอเหรเป็นสิ่งที่งดงานที่สุดสวยงามที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาเพียงแต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่าในเรื่องของการศึกษาอิสลามนะครับบางครั้งในสายรายงานเราก็ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดด้วย <c oughs> เพราะว่าความประเสริฐของกุรอานเนี่ยจะมีความประเสริฐโดยรวมที่ท่านอบีพูดไว้แล้วก็มีความประเสริฐที่เป็นรายละเอียด จ, จำเพาะเป็นสุระสุระสุระสุระซึ่งบางสุระท่านอบีก็พูดเองชัดเจนเป็นฮิริษะบางสุระก็เป็นเพียงแค่ความการตีความหรือเป็นฮิริษีดะอิฟ อย่างเช่นสุร้อนที่ว่ามุสลิมเราหลายท่านจะชอบอ่านสุร้อนยาซีนเรามีความเชื่อกันว่าสุร้อนยาซีนนั้นเป็นหัวใจของกุรอานถูกไหมครับที่มีสายรายงานแต่ว่าสายรายงานนี้ดอีฟสายรายงานนี้ดอีฟซึ่งก็ย้ําครับการที่บอกว่าสายรายงานนี้ดอีฟไม่ได้ลดคุณค่าของสุร้อนยาซีนลงเลยสุร้อนยาซีนก็ยังเป็นคําพูดของอัลลอฮ์ที่ทรงสูงส่งเพราะนั้นใครที่รักอัลกุรอานใครที่รักคําพูดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักเขา เพราะฉะนั้นใครเล็กที่จ่านสุระอะไรอ่านไปเถอะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดมาเป็นหัวใจจริงๆก็คือขอให้รู้ว่าเฉพาะตัวบทนี้มันไม่น่าจะใช่วัยดยักษ์ก็เช่นเดียวกันทีนี้ครับในสุระของวลัยดยักษ์ผมพยายามจะไม่พูดให้มันลึกเกินไปนะครับผมเพราะว่าสุรนี้อย่างที่บอกค่อนข้างจะหินคือสําหรับผมด้วยยากสําหรับผมด้วย เอ่อเปิดตับซีดมาไม่ต่ำกว่า5้าเล่มผมได้ข้อสรุปว่าสุรอนนี้ยากครับเพราะว่าวลาอาดิยัตเนี่ยครับอาดียาตแปลว่าอะไรอาดียาตหมายถึงการที่พุ่งหรือว่าการที่กระโจนสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ว่าวิ่งเร็วๆครับวิ่งเร็วจะถึงขั้นว่าต้องทางเท้าให้ห่างจากกันวาดภาพตามทันไหมครับเราลองคิดจินตนาการถึงเสือเวลาไล่กวาง มันจะถีมันจะเอาเท้าแคบๆหรือว่าต้องการเท้ากว้างๆในการวิ่ง <Wow. S 1> ยิ่งกว้างใช่ไหมครับยิ่งเร็วยิ่งกว้างเพราะฉะนั้นอันนี้อัลอาเดียใช้เรียกสัตว์ใดก็ตามที่ว่าวิ่งอย่างเร็วจีวิ่งแบบว่าก้าวขาแบบก้าวยาวๆเพราะฉะนั้นในคุณานี้ไม่ได้ระบุว่าแปลว่าหมาไม่ได้แปลว่าหมาไม่ได้ระบุไว้ไไบอกแต่ว่าสัตว์ที่ว่ามันพุ่งกระโจนไปอย่างรวดเร็วดับบราโดยที่ว่ามีการหอบ สัตว์ที่ว่ามีการหอบซึ่งท่านนิวาบิรสันระบุชัดเจนเลยว่าในโลกนี้สัตว์ที่มีการหอบมีอยู่ไม่กี่ประเภทหลักๆมีอะไรครับที่เรารู้มีมา้าใช่ไหมครับที่ว่าจะมีการหอบมีสุนัขแล้วก็มีตระกูลหมาป่าหมาจิ้งจอกที่ว่าจะมีการหอบตลอดเวลาสัตว์ที่เหลือไม่มีการหอบนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าเทคโนนิบัสมั่นใจว่าอารยัรในที่นี้พูดแล้วสื่อถึงหมาสื่อถึงไหม นั่นหมายความว่านักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งแหละอย่างท่านไอดีรรย์เบอร์รอันฮุซึ่งเป็นซาบาแล้วก็อีกนักวิชาการอีกหลาท่านมองว่าอาดียัตในที่นี้หมายถึงอูดไม่ใช่ตอนทําสงครามเหมือนคุณสลางนุตรนรักาตุแต่เป็นอูดที่กําลังถูกใช้เป็นพาณิชเพื่อไปทําหัตความหมายต่างกันเลยไหมครับขอสาบานกับม้าที่กําลังพุ่งกระโจนหอบแล้วก็พุ่งกระโจนไป กับขอสาบานต่ออูดที่กําลังเดินทางไปสแสวงบุญความหมายต่างกันริปเลยไหมต่างกันริปเลยแต่ว่าสื่อเดียวกันเด้เลยความหมายที่สื่อเดียวกันแต่เดี๋ยวผมขอแปลให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทําไมผมถึงบอกว่าความหมายที่สื่อเนี่ยมันตรงกันซึ่งไม่ได้ทําให้กุฎานั้นบกพร่องหรือว่าอะไรไปเลยแต่มันแสดงถึงความสวย ง, งามของกุฎานอย่าตกลงตอนนี้แปลได้สองอย่างเนาะอายะแรกแปลแบบแรกก็คือขอสาบานต่อม้าศึกที่หอบในขณะพุ่งกระโจน ซึ่งคนที่แปลแบบนี้ก็มีท่านิมเดลปัสก็อีกหลายๆท่านในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งแปลว่าขอสาบานต่ออูดที่วิ่งอย่างรวดเร็วจนคอยืดอูดครับเวลาวิ่งมันจะยืดหน้มคอไปข้างหน้าแล้วมันจะวิ่งไปเร็วๆอันนี้เขาบอกว่าดับฮาในที่เนี้ยจริงๆอ่านว่าดับอาวลังสารแต่ตัวแก่ัวครับแต่ภาษาหลับเนี้ยมีการอนุโลมให้เปลี่ยนจากตัวหนึ่งไปอีกตัวนึ่งถ้าเสียงใกล้กันดับอาเป็นดับฮาถือว่าในกรนมี เพราะนั้นแปลได้สองอย่างนะอย่างแรกแปลว่าไงนะครับสาบานต่อม้าสึกที่หอบในขณะพุ่งกระโจนอันที่สองขอสาบานต่ออูดที่กําลังต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะควบจีควบจีอย่างรวดเร็วครับประมาณนั้นนะครับคือจะบอกจะชูคอจะยืดคอภาษาไทยผมคิดไม่ออกจริงๆ ร, งรงขอมาฟัเฟิลมูริแอติก็จะแห่เพราะเราได้ขอสาบานต่อมาว่าขอสาบานต่อกีบเท้าม้าที่กระแทกกับหินจนเกิดประกายไฟฟัลมูรยิยอตมูริยาตหมายถึงสิ่งที่ ก่อให้เกิดก็จะให้าประกายไฟซึ่งในอายนี้เดาสิครับว่าแปลได้กี่อย่างอาย่นี้แปลได้อย่างน้อยที่สุด5้าอย่างเราจะได้ห้าความหมายในอายะอายะเดียวนี้ความหมายแรกก็คือเนี่ยแหละครับตอกีบเท้าของม้าที่กระแทกกับหินจนเกิดประกายไฟอันนี้ความหมายที่หนึ่งความหมายที่2ก็คือต่อกีบเท้าของอูด ที่วิ่งจนฝุ่นฟุง้งก็จะหาในที่กลับไปว่าทำให้ฝุ่นฟุง้งนี่ความหมายที่2ความหมายที่3ครับต่อกีบเท้าของอูดเช่นเดียวกันที่ว่ามันไปกระทบกระแทกกับก้อนหินแต่ไม่เกิดกระกายไปผมคงไม่เจาะละเอียดนะครับว่าทางนั้นภาษา ม, มันไปได้ยังไงความหมายที่4ครับฟันมูริยะติก็หาหมายถึงนักรบนักรบ ที่ว่าวางแผนการรบอย่างเชี่ยวชาญเพื่อที่จะทำลายอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าฟันมูเลียติก็หาก็ได้อีกความหมายหนึ่งครับหมายถึงในช่วงการทำสงครามที่ว่าเมื่อมีการจับประชันหน้ากันใช่ไหมครับตอนกลางคืนในการวางแผนการรบจะมีการสูงไฟหลา ย, ลายกองทำไมต้องสูงไฟหลายกองครับหลอกลวงศัตรูหลอกลวงศัตรูให้คิดว่าให้มันมา ก, กันเยอะอายาย น, นี้แปลได้เยอะมากเลย หรืออย่างที่ผมบอกก็คือไม่ว่าโพลล์จะสาบานด้วยกับอะไรในห้าความหมายนี้สื่อเหมือนกันหมดเลยที่พวกจะสื่อเหมือนกันหมดเพราะนั้นเวลาอ่านสุรอ้อนนี้แล้วจะมีความงดงามแล้วก็จินตนาการกันสนุกเลยเพลย์เลยว่าจินตนาการไปด้านไหนนะครับผมฟาอัลลนาบีฮีนักกาถ้าแปลตามความหมายหลักที่ว่าแปลหมายถึงม้าศึกซึ่งเป็นทัศนิยมวิชาการส่วนใหญ่อ๋อขอมาพักขอมาพครับใจร้อนไปไหน ข้ามอันที่สามแปลว่าตั้งใจเรียนนะครับในอาระห์ธรรมอูดีดละฟัลมูยิรอติซุบะฮะต่อมาศึกที่จู่โจมค่าศึกในยามเช้ามาศึกที่จู่โจมฆ่าศึกในยามเช้าทําไมถึงต้องเป็นยามเช้ามั่งอ้าวครับท่านใดที่พอจินตนาการออกลองสมมุติว่าเราเป็นจอวางแผนทําไมจู่โจมในตอนเช้า ตอนเช้ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คนเผลอไผ่มากที่สุดตอนกลางคืนยังมีการจัดเวรยังมีอะไรอยู่ผมคิดถึงมีคำพูดของ FBI บท่านหนึ่ะครับผมเคยอ่านในหนังสือเขาบอกว่าเวลาที่โจรจะขโมยจะปล้นขโมยอะครับมีเกือบยี่บสี่ชั่วโมงจะมีแค่ช่วงเวลาเดียวที่โจรไม่ขโมยวันกรรุสลามัลตอลาบบะเกาตประมาณ เจ็ดโมงถึงแปดโมงเชา้าเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ขโมยเปลี่ยนกะคือไม่ใช่ช่วงเปลี่ยนแกะแต่ว่าในข้อมูลที่เขาได้จากสถิติครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าขโมยไม่ค่อยเข้ามาขโมยจริงเพราะว่าตัวของขโมยเองก็ก็ชิวอยู่ก็ยังไม่พร้อมคือถ้าจะพร้อมก็คือต้องวางแผลถ้ามาก็มาเช้าสายๆเลยไม่งั้นก็ขําไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาในช่วงของเช้าตรู่เนี่ยถ้าในสมัยก่อนเวลาเขาทาสงครามคือให้ส่งกองทัพไปส่งนักรบไปก็คือจะส่งไปช่วงขํา ไปถึงก็คือไปจู่โจมช่วงเช้าพอดีครับปรเป็นเรื่องสำคัญจะคุยกันในวันนี้เชา้าแล้วจะพยายามทําให้เคลียร์ที่สุดเคลียร์ที่สุดเพราะว่าตอนนี้ถูกยิบยกเป็นประเด็นที่ทําใหา้พี่น้องต่างศาสนาค่อนข้างจะหวาดกลัวมุสลิมเพราะว่ามุสลิมหน้ากลัวจริงๆหน้ากลัวยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเอางั้นก็ฝ่าต่อมาศึกที่จู่โจมฆ่าศึกใยามเช้าอันนี้คือถ้าแปลว่าม้าศึกแต่ถ้าแปลว่าอูดแหละ การที่ไปตอนเช้าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่อูดนั้นเดินทางในตอนเช้าตู่เพื่อไปยังสถานที่ที่อยู่ในขั้นตอนการทําฮัแอ้าวที่ถึงที่ไหนครับจากไหนไปไหนที่ว่าต้องไปตอนเช้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าวคนที่เคยทำฮัทครับคนที่เคยทํฮัทำทำฮัททำฮัดขั้นตอนการทําฮัทช่วงไหนที่ว่าเราต้องออกตอนเช้าช่วงมุสลิฟ้าไปมีนา มีนาถูกไหมครับที่ว่าเตรียมจะไปขว้างสาหินครับผมตอนเป็นช่วงเช้าเขาก็บอกว่าอายะเนี่ยที่บอกฟันมูรีรอติสุปฮาเนี่ยพวรสาบานด้วยกับอูดที่ว่ามันกําลังเร่งรีบไปในยามเช้าเพื่อที่จะไปยังที่คว้างสาหินที่มีนาเราได้สองภาพเลยนะครับภาพผู้ขนาดเลยนะภาพม้าสึกในสงครามกาลังอลมานกําลังมะรุมะตุ้มกันเลยนะครับอีกภาพหนึ่งภาพสงบคนกำลังธรรมัดซูระเดียวได้สองภาพมาเช้าวะ มาชาละเป็นการใช้คำที่ว่านี่คือพระเจ้านี่คือองค์ลอครับนี่คือพวกองค์ลอผู้ทรงสูงส่งสามารถใช้สัมนวนที่ว่าสื่อถึงสองเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงแล้วสื่อในเรื่องเดียวกันได้คือแค่ใช้สัมนวนเดียวก็ยากแล้วนะสัมนวนเดียวให้ได้สองเรื่องนี่สัมสวนเดียวสองเรื่องไม่พอเป็นสองเรื่องที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลย แล้วตรงแคบในความหมายไม่พอทั้งหมดกับสื่อในเรื่องเดียวกันเหมือนกันเลยสามอย่างนี่คือสามสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เราพบในสระอัลอาดิยะที่พบในสระอัลอาดิยะนี้ต่อไปครับฟาวซัตนาบีฮีเจมอซึ่งม้าศึกนี้ก็ได้บุกทะลวงเข้าไปยังใจกลางของข้าศึกเอาอีกแล้วเลย วันนี้รู้สึกสมาธิไม่อยู่กับนือกับตัวทำเป็นผมมองข้ามฟาซัตนบีนักาโอเคครับมาสึกที่จู่โจมฆ่าศึกในยามเช้าแล้วก็ทําให้ฝุ่นตลบอบอวนอันนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าผมเป็นคนนะคนมีผิดมีพลาดไม่ใช่มาเลย์นะครับแล้วก็ไม่ใช่นบีไม่ใช่เราซูลถ้าเราซูลผิดนี่พวกเราจะเตือนเลยอันนี้ผมเป็นคนผิดต้องให้พวกเราเตือนครับฟาซาตนบีนักาทําให้เกิดฝุ่นที่ตลบอบอวน ฝนที่ตลบอบอวในที่นี้ครับเราแปลในความหมายที่ว่าถ้าหากว่าเป็นหมาหมาสึดแต่ร้าเกิดว่าแปลในความหมายที่ว่าแปลว่าอูดฟาอัละนาบีฮินักการนักกานที่ไม่ได้แปลว่าฝุนตลบอบอวลแต่หมายถึงว่าเป็นการที่เดินทางจากระหว่างทางระหว่างมุสลิฟาไปมีนาเขาเรียกว่าการเดินทางทีว่านักะการเดินทางทั่วอยู่ระหว่างมุสลิฟาไปที่มีนาคือยังไม่ถึงในที่นี้ครับอ่านได้2แบบ ฟาอัสร์น่ะบีฮีนกักอาลือฟาอัสร์น่ะฟาอัสร์น่ะฟาอัสร์นาาร่ะฟในคุรานอย่างที่พวกเรารู้ก็คืออ่านได้ไม่น้อยกว่า7รูปแบบคุรานนะครับอ่านได้ไม่น้อยกว่าเรูปแบบแต่ถ้าเกิดอย่างคนไทยเราเราจะคุ้นเคยกับรูปแบบเดียวจากฮับจากอาซิมซึ่งเป็นรูปแบบที่แพร่หลายที่สุดแต่ในที่นี้ก็ยังมีการอ่านอีกหลายรูปแบบซึ่งมันยังได้ความหมายเช่นเดียวกัน ต่อไปครับฟาบัสตนะบีฮิจัมอาร์อ น, นี้ผมไม่พาแล้วเนาะถ้าแปลในความหมายของม้า ก, ก็คือม้าสึกนั้นได้บุกทะลวงไปยังใจการของฆ่าสึกซึ่งฟาบัตน์น่านงแบบเช่นเดียวกันอ่านว่าฟาัตนบฮิจัมอาหรือว่าฟาัตนบฮิจัมอาอ่านได้แบบได้บุกทะลวงไปยังจการของค่าศึกหรือถ้าเกิดว่าแปลในทัศนะของคนที่แปลว่าปูดก็คือ การที่อูดนั้นได้เข้าไปรวมตัวแล้วเข้าไปอยู่ในจุดศูนย์กลางของกลุ่มผู้สแสวงบุญโอเคตามผมทันนะครับเรามาจินตนาการพร้อมๆกันถ้าพูดถึงมุมแรกมุมดูเดือดผมใช้คำมุมดูเดือดแล้วกันพวกเราได้สาบานต่อมาสึกที่มันกําลังพุ่งกระโจนไปแล้วก็หอบแผกแผกไปด้วยซึ่งการวิ่งกระโจนไปนี้ก็คือเท้ามันกีบเท้าก็ไปโดนกับก้อนหินก็เกิดเป็นประกายไฟ ซึ่งแม้ตัวนี้ครับเป็นม้าที่ว่าบุกจู่โจมข้าศึกในยามรุ่งสางในยามเช้าซึ่งก็ทําให้เกิดฝุ่นตลบอบอวนก็ทําให้เกิดความโอลรมนโอลรมานแล้วม้าตัวนี้ก็ได้บุกเข้าไปในใจกลางของกองทัพของข้าศึกเลยแสดงถึงความเข้มแข็งแสดงถึงความกล้ า, าหาญแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวซึ่งนักวิชาการบางท่านที่เชื่อมั่นว่าซูร้อนี้แปลว่ามา้าเขาบอกว่าสาเหตุที่พวกอลอปประธานซูร้อนนี้เนี่ย เนื่องจากว่าในสมัยท่านนบีมัสลลองของอิสลามมีครั้งหนึ่งที่ว่าท่านนบีได้ส่งทัพเล็กๆไปไปยังเผ่าบันีกันนะนะเพื่อไปจัดการกับบรรดาผู้ที่ตอนนั้นตั้งตัวเป็นศัตรูกับอิสลามอย่างชัดเจนแล้วก็ทำสงครามกับมุสลิมท่านนบีก็เลยส่งไปตัดกำลังก่อนแล้วข่าวของทัพนี้ก็หายไปเลยแล้วก็มีมูนาฟิกบอกว่าทัพนี้ตายกันหมดแล้วไม่มีใครรอดแล้ว เพื่เราก็เลยประทานสุร้อนนี้มาเพื่ออธิบายฉากให้เห็นว่ากองทัพนี้เขาไปทําอะไรบ้างแล้วเขาไม่ได้ตายนะเขากลับมาพร้อมกับชนะด้วยอันนี้ก็คือนักวิชาการหลายท่านเชื่อว่านี่คือเหตุประทานสุร้อนนี้ก็คือพวกเราประทานสุร้อนนี้มาเพื่อให้ท่านบิวุเลสซัมใจของท่านนั้นสงบเพราะท่านกำลัง เ, เป็นห่วงปรดาชสอร์บาที่ออกไปอันนี้คือความหมายด้านที่1มาดูความหมายด้านที่สองครับพวกเ ร, เราได้สาบานถึงกลุ่มผู้ที่ว่าไปแสวงบุญ ที่ว่าเขาได้ใช้พานะซึ่งพานะเดินทะเลทรายดีที่สุดก็ไม่ผลอูดอูดเพราะอูดเป็นสัตว์ที่ว่าสลีล่านั้นสําหรับทะเลทรายโดยเฉพาะเลยกีบเท้าเหมาะกับเดินบนทรายมากที่สุดถ้าเกิดเป็นม้าเป็นอะไรเดินทรายได้ไม่ถนัดเท่ากับอูดแล้วก็สามารถที่จะอดน้ําได้เป็นระยะเวลายาวนาน เพรฉนั้นคนแสวงบุญครับการแสวงบุญนี้มีมาตั้งแต่ยุคก่อนสมัยท่านนบีมัสลาลลอฮฺซลแล้วก็คือมีมาตั้งแต่ยุคสมัยท่านนบีบรอฮิมที่ท่านนบีบรอฮิมประกาศให้คนมาทําฮัจจ์แล้วก็มีคนมาทําฮัจจ์เรื่อยๆมีคนมาแสวงบุญในที่แห่งนี้รูปแบบการทําฮัจจ์มีหลายส่วนที่คล้ายกับปัจจุบันการทําฮัจจ์ก่อนยุคนบีนะครับมีหลายส่วนที่คล้ายกับการทำฮัจจ์ของยุคเราซึ่งการที่โพรส์สาบานในเรื่องรูปแบบของการทำฮัจจ์เนี่ยนี่ที่ผมพูดตอนแรรก่ะคับวา การที่บอกว่าเป็นมักคิยะหรือมดานิยามันมีผล mm hmm. การที่เราต้องหาข้อสรุปให้ที่นักวิชาการถกเถียงกันว่าสุร้อนี้ประทานก่อนอพยพหรือหลังอพยพมันมีความหมายอยู่เพราะถ้ามองว่าสุร้อนี้ประทานก่อนอพยพอาดิย ต, ต้องหมายถึงอูดเพราะก่อนอพยพ ย, ยังไม่มีการทําสงครามก่อนอพยพมีการทำพัดแต่ไม่มีการทําสงครามนี่คือเหตุผลนักวิชาการหลายหลายท่าน อย่างท่านนู ม, มัสอูดแล้วก็ท่านอาลีมองว่าอันเนี้ยแปลว่าอูดแต่ท่านนัวบาสบอกว่าสุรนี้ถูกประทานมาหลังการอพย พ, พนัวบาสครับบอกว่าหลังอพยพแล้วคือเริ่มมีการทำสงครามแล้วแล้วการอพยพนี้เลยปีที่สไปแล้วคือท่านอาลีมองว่าสุรนี้ถูกประทานมาหลังอพยพแค่2ปีถ้าถูกประทานมาหลังอพยพแค่2ปีสงครามที่เกิดครั้งแรกชื่อสงครามเลยครับ สงครามบาดาซในสงครามบาดัซ ม, มุสลิมมีม้าแค่สองตัวตอนทำสงครามนะที่เหลือเป็นพลลบพลเดินเดินเดินเท้าหมดเลยมีม้าแค่สองตัวเพราะฉะนั้นํำนวนในกุรานเนี่ยใช้คำว่าอาดิยตัตหลายๆตัวท่านอาลีท่านก็เลยเชื่อมั่นว่าสุรานี้ต้องไม่แปลว่าหมาเพราะในยุคปีที่สองเนี่ยหมามีแค่2ตัวที่ทาสงครามฮวอันมอัชมาอิน ความหมายที่พวกเราต้องการจะสื่อประเด็นอยู่ที่อายะที่6ประเด็นอยู่ที่อายะที่6แน่นอนมนุษย์นั้นช่างเป็นผู้ดื้อดึงผู้เนรคุณต่อผระผู้อภิบาลของเขายิ่งหนะักใครโยงได้บ้างครับว่าห้าอายะแรกโยงกับอายะที่6ได้ยังไงการสุสัว์ ที่พวกอราเลาะให้มาเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์อย่างที่พเราทราบก็คือพวกเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ซึ่งปศุสัตว์หรือวสัตว์เหล่านั้นที่พวลเราสร้างให้มนุษย์ใช้ประโยชน์เนี่ยหลายอย่างถูกใช้เพื่อทําอิบารดาต่ออหมาถูกใช้เพื่อทําการสูลุบเพื่อการปกป้องเพื่อเป็นการยืนหยัดสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเป็นการเรียกร้องสิทธิ มันถูกใช้ในสิ่งที่ทําให้อดลรักูดก็ถูกใช้ในสิ่งที่ทําให้อดลรักก็คือถูกเอามาทําหัดทั้งสองอย่างอัลลอฮ์สร้างมาให้มนุษย์ใช้ประโยชน์แล้วก็ถูกเอาไปใช้ในการทําอีบาดาซึ่งเมื่อเรามาดูในขณะที่ถามว่าอูดกับม้านะครับถูกใช้ในการทําอีบาดาถามว่าได้บุญไหมูดได้เข้าสวรรค์ไหมูดได้เข้าสวรรค์ไ ห, ด ไ, ดไหมครับไม่ได้เข้าครับคือถ้าอูด ไม่พาไปทำฮัดเนี่ยอูดลงนรกไหมไม่ลงอูดพาไปได้เข้าสวรรค์ไหมก็ไม่ได้เข้าแม้ก็เช่นเดียวกันแม้จะพาคนไปทำสงครามมันก็ไม่ได้เข้าสวรรค์แม้จะไม่พาคนไปทำสงครามก็ไม่ได้เข้าสวรรค์แต่แม้มันก็ยังทำประโยชน์แล้วก็ในความหมายของอีบาดาทาั้งทงที่มันไม่จำเป็นต้องทำในขณะที่มนุษย์จาเป็นต้องทำไหมถ้าไม่ทาอบาดลเอาลอลงโทษไหม ถ้าเกิดทํำสิ่งที่ดีงามมาแล้วตอบแทนไหมตอบแทนแต่มนุษย์เป็นยังไงครับละกลนมนุษย์ดื้อดึง น, นี่คือความเกี่ยวพันไหมครับจากห้าอายะที่อัลลอฮ์พูดที่พโมลลัสรองแกวมาพอเรามาดูปุ๊บกับอายะที่หกขนาดปสัสุสัตยังสามารถใช้ในการทําอิบารัดาต่ออัลลอฮ์ได้ทั้งๆที่ไม่มีความคิดความอ่านแต่มนุษย์ทั้งๆที่มีความคิดกับความอ่านกับดื้อดึงเพราะเราใช้คำว่าดื้อดึงไม่ได้ใช้คําว่าปฏิเสธ ทำไมใช่คำว่าดื้อดึครับเพราะการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยมันชัดยิ่งแต่ของที่เราเห็นรอบตัวเนี่ยจะเป็นเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ของทุกอย่างคนทุกคนต้องการว่ามันเกิดขึ้นเองไม่ได้โต๊ะเกิดขึ้นเองไม่ได้มือถือเกิดขึ้นเองไม่ได้หนังสือเนี่ยเอกสารเนี่ยกระดาษเนี่ยมันเกิดขึ้นเองไม่ได้มันต้องมีคนพิมพ์ต่อให้พวกเราในที่นี้ไม่มีใครรู้สักคนว่ามีใครพิมพ์แต่เราเชื่อมั่นไหมครับว่ามีคนพิมพ์มันต้องมีเพราะธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ ขนาดแค่หนังสือขนาดแค่เอกสารมันยังจาเป็นต้องมีคนสร้างแล้วเราแล้วต้นไม้แล้วธรรมชาติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความบังเอิญมันไม่เมกเซนที่สุดในโลกแล้วคือสิ่งที่เมกเซนที่สุดคือการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างต้องมีผู้สร้างแล้วผู้สร้างต้องไม่ถูกสร้างเพราะถ้าผู้สร้างถูกสร้างปุ๊บมันเป็นวัฏจักรไม่มีไม่มีจบสิน้นเหมือนกับ ปัจจุบันนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่อยากจะปฏิเสธพระเจ้าอ่ะเขาก็จะอ้างถึงพระเจ้าจากต่างดาวคือเขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นคนสร้างโลกคือเขาแค่อยากหาคําตอบให้ได้ว่าใครสร้างมนุษย์แต่เขาไม่ยอมรับพระเจ้าเขาก็เลยสมมุติตัวแปรขึ้นมาเป็นพระเจ้าจากต่างดาวซะเป็นมนุษย์ต่างดาวซึ่งถามว่าตอบคําถามได้ไหมตอบไม่ได้เพราะพระเจ้าจากต่างดาวใครสร้างมนุษย์ต่างดาวมันก็ไม่จบมันก็วนๆวนๆวนๆวนไปเรื่อย เพราะนั้นโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เชื่อมั่นว่ามันต้องมีผู้สร้างแล้วผู้สร้างต้องไม่ถูกสร้างคือทุกอย่างมันต้องไปจบที่ผู้สร้างเหมือนกับเวลาเล่นโดมิโ น, โนมันอาจจะกิ่งมาหลายชิ้นแล้วก็ตามแต่มันต้องมีชิ้นแรกถูกไหมครับกว่าที่มันจะกิ่งมาเป็นร้อยชิ้นนมันต้องมีชิ้นแรกก่อนเพราะนั้นที่พวกลอเชคําว่าอะไรครับ แ, แน่นอนมนุษย์นั้นเป็นผู้ดื้อดึงต่อพระผู้อภิบาลของเขาพวกลอเชคําว่าผู้อภิบาลพรพระองค์พพงให้ทุกอย่างแก่มนุษย์ ม้าที่ใช้เป็นประโยชน์เ Aquí, นี่ยครับก่อนที่เราจะมีพาหนะก่อนที่จะมีน้ํามันก่อนที่จะมีฐานหินชีวิตมนุษย์กับม้าห่างกันไม่ได้กับพาหนะเนี่ยห่างกันไม่ได้ต้องใช้การแบกอาจจะเป็นลาอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่มนุษย์กับสัตว์เนี่ยประซุศษห่างกันไม่ได้ต้องใช้ประโยชน์เราใช้ประโยชน์จากสัตว์มาพันกว่าปีเจอแท่วันเริ่มมีรถไฟหรอมีเรือหรอมีมอเตอร์ไซค์หรือมีรถยนต์หรือมีรถกระบะสัตว์เราก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ถามว่าของทั้งหมดนั้นมนุษย์เป็นผู้สร้างเองหรือเปล่า ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ผู้สร้างมนุษย์เป็นแค่ผู้ฉวยประโยชน์เอาของที่มีตามธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเองซึ่งฉายาของมนุษย์ก็คือผู้ทําลายล้างผู้สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี่คือฉายาที่มารายการเรียกพวกเราฉายาที่มารายการเรียกพวกเราคือผู้ที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินแล้วมันก็เป็นความจริง คือมนุษย์มีอยู่บนโลกนะครับแค่ช่วงเวลาแค่พริบตาเดียว2000ปีเทียบกับอายุขัยของโลกแค่พริบตาเดียวเราทําลายทรัพยากรในโลกไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วมนุษย์ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์เราเป็นผู้ทํำลายเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์แต่แน่นอนครับอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อให้เราใช้ประโยชน์แต่พวกอัลลอฮ์สั่งให้เราอย่าใช้อย่างฟุ่มเฟือยให้ใช้ให้เป็นซึ่งพกรกอัลลอกล่าวว่าไงต่อครับ วายนูฮูอะแลเดลิกะละชีดวายนูฮูลีฮุบบิลคอยดีลชีดอาะทุกอายะเป็นเหตุเป็นผลให้กันและกันหลังจากที่พระองค์บอกไงครับมนุษย์นั้นช่างเป็นผู้ดื้อดึงเป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าทาั้งๆที่พระองค์นั้นดูแลเขาทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อเขาทั้งที่เขานั้นเป็นผู้เนรคุณต่อพระองค์แค่ไหนอัลลอฮ์ก็ยังเมตตาเขาวายนูฮูอะลเดลิกะละชีดแล้วเขาก็รู้ดีกับตัวเองถึงการเป็นผู้บ่อนทําลายถึงการเป็นผู้ที่ว่าเป็นคนที่ไม่รู้คุุณคคนนนอื่เราทก ถ้าถามตัวเองเรารู้ตัวครับคนที่มีบุญคุณกับเราสารพัดไม่มีใครแม้แต่คนเดียวบนผืนแผ่นดินที่เราตอบแทนเขาอย่างที่ควรจะเป็นอย่างพ่ออย่างแม่ไม่มีใครที่สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างที่เราเคยพูดเกิดไปหลายครั้งกับพระเจ้ายิ่งเป็นไปไม่ได้ซึ่งพวกรบอกว่าการเป็นสักดรีพญาเนี่ยถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็คือโลกหน้าเลยกาฟาบินัฟซิกลเยอมาอัยเลกาฮัซีบะที่พวกรกล่าวในกุรันเมื่อ ถึงเวลาโลกหน้าโลกแห่งการสอบสวนเรื่องการตัดสินพวกเราบอกว่าไงครับพอเพียงแล้วที่เจ้าจะตรวจสอบตัวเองคือเจ้าเป็นพยานให้กับตัวเองได้เจ้ารู้ดีว่าเจ้าทําอะไรบ้างวันนี้เวลานี้เจ้าทำอะไรบ้างรู้หมดต่อให้คนทั้งโลกไม่รู้ต่อให้เราจะหลอกคนทั้งโลกได้หลอกครอบครัวเราได้หลอกคู่ครองเราได้หลอกพ่อแม่เราได้หลอกลูกหลานเราได้หลอกใครก็ตามในโลกเราหลอกตัวเองไได้เพราะเรารู้ตัวแล้วโลกหน้าพวกเราก็ใช้เราตรวจสอบตัวเองก่อนที่พระองค์จะจัดการพวกเรา หรือก่อนที่วงจะมีตาพวกเราพวกเราใช้คําว่ามนุษย์นะฉดวยยะที่หกย้ําอีกทีนะครับแน่นอนมนุษย์ช่างเป็นผู้ดื้อดึงพวกเราใช้คําว่ามนุษย์มันหมายความว่าไงครับคอบภุมพวกเราทุกคนด้วยพวกเราไม่ได้พูดแค่แกฟิทพวกเราพูดถึงมนุษย์ทุกคนทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม ใครก็ตามที่ว่าฝ่าฝืนคําสั่งใช้ของพระองค์ใครก็ตามที่ขี้เกียจในการทําตัวให้อลลารักใครก็ตามที่เห็นดุนยาเป็นเรื่องใหญ่ใครก็ตามที่ไม่ความสนใจกับอาคิร์ละทั้งหมดเป็นคนที่ดีดึงเพาะถือเป็นคนเนรคุณว่าอินหูรีฮุบบิลคอยลชาดีดอัลลอฮ์ได้ผู้ทรงสูงสงูงผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้บอกถึงคุณลักษณะของมนุษย์ตามธรรมชาติของมนุษย์เขาลุ่มหล ง, งคลั่งไคลในทรัพย์สมบัติมีใครบ้างในหมู่พวกเราที่ไม่ชอบทรัพย์สมบัติ ทุกคนผมคนแรกผมก็ชอบได้ของดีใส่เสื้อผ้าที่ดีก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกอยากบางครั้งก็อยากให้คนเห็นเวลาทําดีก็อยากให้คนรับรู้เห็นคนมีของที่ดีก็อยากจะมีของที่ดีกว่าเขาธรรมชาติมนุษย์เราถูกสร้างมาเป็นแบบนี้แต่เราจะควบคุมมาได้แค่ไหนแต่คนที่ว่าได้ดึงต่อเลาะเป็นคนที่เขาไม่สามารถควบคุมจุดนี้ได้แปลว่าจากอายคุรานสามอาย่านี้พวกเลาะบอกให้เรารู้ว่าการที่จะจําแนก ระหว่างบ่าวที่ดื้อดึงต่อหรกับบ่าวที่ไม่ไดื้อดึงขอหรดูที่ว่าเราจัดการกับความลุ่มหลงของเราที่มีตัดทรัพย์สินได้ยังไงถ้าเรายังลุ่มหลงตัดทรัพย์สินอยู่ฉันต้องสะสมแต่ขอ ง, ขอ ง, ข, องของซื้อแต่ของแพงแพงโดยที่ว่าเพื่อนบ้านยังหิวโหยอยู่โดยที่ว่าพ่อแม่ยังไม่มีข้าวจะกินโดยที่ว่าคนในครอบครัวเราไม่ได้ความสําคัญแต่เรา ก, การลับมีนาฬิกาเรือนละหมื่นหรือและแสนหรือและล้านใสอันนี้แปลว่าลุ่มหลงข้างใครในทรัพย์สมบัติ หรือคนที่ว่ามีทรัพย์สมบัติแล้วกลัวที่จะใช้จ่ายมีบางคนยิ่งเก็บก็คือมันยิ่งไม่อยากจะปล่อยอยากจะเก็บให้มันเยอะๆเยอะจะจ่า ย, จจายนิดจ่ายหน่อยนี่คือเครียดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่มันไร้สาระพร้อมจะจ่ายอย่างจะเกิดเดินทางบางคนจะไปทําอุบลร้อบางคนจะไปทําฮัทเงินพอจะมีแล้วแต่ว่ายังไม่อยากไปเงินยังไม่เยอะแต่ขอมีคนมาชวนปุ๊บไปทริปเกาหลีไหมไปทุบญี่ปุ่นไหมเออน้าสนไปที่สนุกอยากไปนานแล้ว ธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมครับการใช้เงินเรามีปัญหาเรื่องการใช้เงินที่ที่จําเป็นต้องใช้เราจะลังเล ย, ยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดถ้าเกิดเข้ามาสัสยิดมีตู้บริจาคเงินใส่ยี่สบาทก็รู้สึกว่าทําดีแล้วรู้สึกทําดีเยอะมากแล้วไปลงหนังตัว200๋วสองร้อยสามรอยบาทสําหรับคนที่ไปนะจ่ายได้แบบไม่รู้สึกเสียดายเลยสองร้อยกับยี่สิบ ควารู้สึกต่างกัน2ี่สนี้รู้สึกเหมือนกับว่าต้องเอาบุญอคุณกับอัลลอฮ์ละออัลล์ฉันจ่ายบริจาคในทางของพวกนอัลลอ์ขอให้ครอบครัวฉันเป็นคนเดียวอัลล์ขอให้ฉันร่ารวยอัลลอฮ์ขอให้ฉันไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอัลลอ์ขอให้ฉันมีสุขภาพที่เดียวอัลล์ขอให้ทุกคนรักฉันอัลล์ขอให้คนที่เกียดฉันมันพบความหมายนะยี่สิบาทผมไม่อยากพูดว่าใช้อัลลอส์ซะคุ้มเลยมันมันมันเกินครับว่าคุ้มมัน คือบางทีเราเราเราเราเร า, เราไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบเองะครับทั้งทั้งที่เราก็รู้ดีที่พอล้อแกวไว้ในอายะที่7จ็ดอะครับว่าเขาเป็นพยานในเรื่องนี้คือเขารู้รรดูดีดีในสิ่งที่เขาทำแต่เราแกล้งทำเป็นไม่มองน่ากลัวนะการแกล้งทำเป็นไม่มองเหมือนกับบางครั้งเราพบคนเดือดร้อนเราพบคนที่ยากลำบากแต่เราไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยเพราะเราตัดการรับรู้กับเขาไปตัดทิ้งไปเลย จริงๆมันมีคลิปถ้าเกิดได้ฉายผมอยากเอามาฉายให้ดูเป็นคลิปที่ว่าเขาทำมาสองคลิปคนละกลุ่มทำแต่ผมเอามารวมกันเองคลิปหนึ่งครับแสดงถึงความอบอุ่นของสังคมหน้าหนาวในประเทศยุโรปมีหิมะตกเขาได้ทดลองโดยการให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปนั่งสั่นอยู่ที่ตู้รถไ์ใครดูใช่ไหมครับคุณคุณนะอ่า เด็กหนุ่มหนาวสั่นครับหน้าตาดีคือแต่งตัวดีอะครับแต่ก็คือใส่เสื้อผ้าน้อยคนผ่านไปผ่านมาแต่ละคนคนนึงก็เออน้องเป็นอะไรทำไมไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามาเลยเขาก็บอกว่ามากับโรงเรียนแล้วโรงเรียนไปไหนไม่รู้อ่าคนหนุ่มคนนึงมาก็ถอดเสื้อให้ตัดไปฉากเขาก็เก็บเสื้อไปอีกคนนึงมายื่นถุงมือให้ก็คือแต่ละคนที่เจอนี่ให้ความช่วยเหลือรู้สึกสังคมน่าอยู่ไหมครับน่าอยู่นะ อีกคลิปหนึ่งครับที่ผมดูเหมือนกันเป็นเด็กจรจัดไม่ได้แต่งเสื้อผ้าดีเหมือนเด็กคนแรกนอนกลางถนนเสื้อผ้าน้อยกว่าคนแรกเยอะนอนบนกล่องกระดาษคนดเดินผ่านไปผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงไม่มีใครสนใจเลยตลองสังคมแล้วสวยงามหรือสังคมแล้วน่ากลัว คือดูคลิปแรกรู้สึกว่าอกพองแบบอื่นสังคมเราหน้าอยู่นะยังอยู่ได้แต่พอดูคลิปที่สองปุ๊บเรารู้สึกยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนที่สองไม่ได้รับความช่วยเหลือเหมือนคนแรก เพราะความรู้สึกที่ว่าตัดการรับรู้ถึงการมีอยู่ของเขามันเป็นอีกคนอีกกลุ่มนึงมันเป็นคนที่ต่ำต้อยกว่าหรือถ้าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวจะเดือดร้อนเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะรักขโมยเดี๋ยวจะอะไรคิดสารพัดคิดเหมือนกับความกลัวมุสซิมที่มีตอนนี้นั่นแหละคือถ<ๆ>เกราคิดเหมือนกันเลยเซมเซมเหมือนกันเดียเลยผมพูดคุยกับเพื่อนคนต่างศาสนกหลายคน ส่วนใหญ่พูดเหมือนกันครับพอคิดถึงมุสลิมแล้วเขากลัวเพราะเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมุสลิมพอไม่รู้เลยกลัวไงมั น, ม, นมันอะไรหมูมันก็ไม่กินเงียบ ม, มันมีได้สี่คนเฮแล้วอะไรทำกับมันนี้บ้างอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เขารู้สึกกลัวแล้วก็กลัวมากถึงขั้นเกลียดอย่างถ้าเกิดว่าคนที่เข้าค่ายใช่ไหมครับได้ฟังที่ว่าเปิดใจของผู้ที่มาเข้ารับอิสลามใหม่ ครับเราก็ได้ยินชัดเจนเลยเขาบอกว่าก่อนเขาเ้ารับอิสลามเนะี่ยเขาทั้งกลัวและทั้งเกลียดมุสลิมเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับอิสลามเลยที่เขารู้ก็คือมีแต่สื่อมีแต่เหตุการณ์นายวันๆที่เอาเครื่องบินไประเบิดมีแต่เหตุการณ์อัฟกานมีแต่เหตุการณ์อลไรก็ไม่รู้เขาก็เลยเกิดความกลัวเกิดความเกลียดแล้วตอนนี้กระแสที่พยายามที่จะปลูกปั่นให้สังคมเกียดชังมุสลิมมันไม่ใช่เรื่องใหม่ มันไม่ใช่เรื่องใหม่มมมใม่ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าคนที่จะเกลียดพวกเราผมใช้คาว่าเกลียดนะถ้าคนไม่เข้าใจนี่ถ้าให้ความรู้อินชาลอแล้วเขาเข้าใจเขาก็จะไม่มีปัญหากับพวกเราหรือคนที่ว่าเขาเปิดใจไม่มีปัญหาแต่คนที่ตั้งตั้งแง่ว่าจะเกลียดเราเราพูดอะไรไปความจริงเขาไม่สนใจหรอกแค่ดูอายะกุรานหกพ0นกว่าอายะพูดถึงเรื่องสงครามชัดๆอยู่แค่สองที่ หยิบมาเป็นประเด็นเลยว่าคำภีซาตานเป็นคำภีร์มารลัยเป็นแล้วแล้วอีกหกพันอายะนี่พี่จะไม่พูดถึงเลยเลย <c oughs> ไม่ต้องหกพันอายะขอแค่หนึ่งอายะหนึ่งวักก่อนวักนั้นกับหลังวักนั้นพี่หยิบมาพี่ก็เคลียร์แล้วแต่พี่ไม่คิดที่จะหยิบเพราะอะไรครับเพราะความเกลียดกลัวคือเขาไม่ได้ต้องการความถูกต้องไม่ได้ต้องการความรู้นะไม่ได้ต้องการข้อมูลนะถ้าคนที่เกียดเนี่ยเหตุผลเดียวที่เขาเกียดเราเพราะอะไรครับ ให้รู้มั่งเพราะเราเป็นมุสลิมต้องยอมรับนะต้องยอมรับในโลกนี้ผมพูดถึงส่วนน้อยผมไม่ได้พูดถึงส่วนใหญ่คืออย่างพี่น้องชาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่เรารู้ก็คือเราอยู่กันมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วอยู่มาไม่มีปัญหาแต่ถ้ากลุ่มที่แบบว่าจงเกียดจงชังแล้วก็จะสร้างตัวเป็นศัตรูเนี่ย mm hmm. เหตุผลมีแค่อย่างเดียวคือแค่เพราะเราเป็นมุสลิม แล้วเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่พวกอัลลอฮ์บอกเราไว้แล้วในกุรอานว่าคนที่จะเกลียดเราคนที่จะตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราอย่างชัดเจนที่ว่าไม่มีทางปองดองกับเราได้สาเหตุที่เขาเกลียดเพียงเพราะเราเป็นมุสลิมจำเหตุการณ์ที่ผมเล่าถึงชาวอุกดูดได้ไหมครับประวัติชาวอุกดูดที่ว่ากษัตริย์เมืองฮิมยัตขุดหลุมขนาดใหญ่ ก่อนที่ทาบีวัสซาลสันจะเกิดใช่ไหมครับแล้วก็จุดไฟเผาแล้วก็เอาคนที่เป็นมุสลิมมาทีละคนทีละคนทีละคนแล้วก็ถามว่าจะเปลี่ยนศาสนาไหมใครที่บอกว่าไม่เปลี่ยนทําไงครับถีบลงปอเอาให้ตายพอร์เ้อกล่าวในกุล า, าวว่าไงครับวามานะกอมูมินหุมอิลล์อายุมินูบิลล์ฮิลล์ซีซีลฮามิดมีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นที่ผู้ศรัทธาถูกเผาทั้งเป็นคือแค่เขาศรัทธาต่อร้อเพียงเดียวแค่นี้เลย ไม่ได้มีผลอะไรเลยไม่ได้มีผลอะไรเลยเลยความเกียดความกลัวความอะไรก็ตามนี่แค่พอ่อเราเป็นมุสลิมเพราะนั้นคนเป็นมุสลิมเราต้องทําใจไว้ระดับหนึ่งนะไม่ใช่คนทั้งโลกที่เราจะพูดคุยแล้วเขาเข้าใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ยุคที่อิบราิมมันบอกแล้วว่ามันจะขอจองล้างจองผ่าลูกหลานอาดัมไปตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นแหละก็คือ มีคนที่เกียดมุสลิมเพียงเพราะว่าเราเป็นมุสลิมแค่นั้นถามว่าอับดิรรู้จักเราไหมไม่รู้จักแล้วทําไมต้องมาเกียดด้วยก็เพราะเราเป็นมุสลิมไงเพราะเราเป็นลูกหลนานนเบียดัมแล้วก็เพราะเราเป็นมุสลิมแล้วพอเรากล่านวินค ร, ราะห์อานว่าชัยตอนนี่ยมันมีทั้งที่เป็นยินแล้วที่เป็นมนุษย์แล้วมันก็ให้ความชี้เดือดซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับขอย้ําตรงจุดนี้นะครับ ถ้าเรามีโอกาสเจอคนอื่นผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าพวกเราชาวละน่าจะมีปัญหาแล้วแต่ถ้ามีโอกาสช่วยช่วยกันพูดต่อไปอย่าได้ตอบโต้ความรุนแรงหรือความชั่วร้ายด้วยความชั่วร้ายตอนนี้ปัญหาในสังคมโดยเฉพาะในสื่อเฟซถ้าเราไปดูในไหนก็ตามนะครับไปดูพันธุ์ที่ไปดูอะไรก็ตามมีคนที่ไม่เข้าใจอิสลามกลุ่มหนึ่งคือเขาไม่เข้าใจจริงๆคือเขาอยู่ในกลุ่มที่ว่าเขาไม่มีความรู้ในอิสลามเขาฟังมาแล้วเขาก็กลัวเขาก็เลยด่ามุสลิมบางทีเขาก็ด่าละ บางทีก็ดานะ่าเราีมั ส, าลาสละลออไรสัลลมเรารักอัลลอฮ์เรารัก Allah, รอซูนแต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมเลยก็คือว่าผู้ที่ถูกดา่ายังไม่ลงโทษเขาเขาด่าเราใช่ไหมถามว่าเราลงโทษเขาไหมยังไม่ลงโทษพวกเราให้โอกาสพวกเขากลับเนื้อกลับตัวคือพวกเรารอจนก ว, ว่าเมื่อไหร่จะเสียชีวิตนั่นแหละมันแปลว่าจบถ้ายังไม่เสียชีวิตพวกเราให้โอกาสอยู่พวกเราให้โอกาสทุกคน เมือกับท่านนบีเมื่อสุลต่านหัวอะไรฮิวสัลลำท่านก็ให้โอกาสคนทุกคนมาตลอดถูกไหมครับจะเป็นความเชื่อไหนก็ตามต่อให้เป็นความเชื่อที่ได้ชื่อว่าเป็นศัตรูกับมุสลิมอย่างยูท่านนบีก็ให้โอกาสอย่างที่พวกเราเคยได้ยินมาหลายครั้งแม่บ้านชาวยูที่เป็นป้าเป็นเพื่อนบ้านนาบีนั่นถืออะไรครับยู you. เอาล็อกเกลในคุรานว่าเจ้าจะพบว่าคนที่เป็นศัตรูอย่างชัดเจนกับมุสลิมที่สุดคือชาวยู ท่านอบดเีด่าว่ากันไหมเวลาเขาทำร้ายไม่ได้ด่าว่าทําร้ายไหมไม่ได้ทําร้ายท่านอบีทําพฤติกรรมดีให้เพราะท่านนับีเชื่อมั่นว่าเขาไม่รู้เหมือนกับตอนที่อับดุบีไปตออิฟใช่ไหมครับอย่างที่เรารู้ท่านอบีไปเผยแผ่ที่ตออิฟโดนลุมขว้างด้วยหินเราเราแค่โดนดา่าเราแค่โดนดา่าท่านอบีถูกลุมขว้างด้วยก้อนหินแล้วก็ผู้ใหญ่ของชาวตออิฟแต่สั่งใช้ให้เด็กมาลุมขว้างอบีด้วยคือนบีท่านต้องวิ่งหนีออกมาจนว่า เด็กก็ยังวิ่งตามมาพอท่านอบับดุบีออกมาท่านบีบอกอย่างนี้ครับอ้วนละโปรดเมตตาแก่พวกเขาด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้พวกเขามัรู้นี่คือสิ่งที่มุสลิมเราต้องตอกย้าไว้ในหัวใจว่าเมื่อเราเลือกที่จะเป็นเส้นทางของมุสลิมศา ส, สนาของเราชื่อว่าอิสลามอิสลามคือศาสนาที่ว่าให้ความสันติกับผู้อื่น ถ้าเราไม่สามารถให้ความสันติให้ความปลอดภัยกับคนที่เห็นต่างเราได้เราไม่สามารถเรียกตัวเว่าเป็นมุสลิมได้คือถ้าเกิดเป็นศัตรูที่ชัดเจนเขาจะมาทําร้ายเราเขาเอาอาวุธมาแล้วเขาพร้อมจะฆ่าเราแล้วป้องกันตัวอิสลามมีคําสั่งให้ป้องกันตัวนี่คือเหตุว่าทําไมในกุรานถึงมีอายะระบุถึงเรื่องการทําสงครามแล้วก็เช่นเดียวกันในอิสรามนี้บางคนอาจจะบอกไม่สบายใจฉันตัดทิ้งได้ไหมเหมือนประเทศจีนที่ว่าพยายามจะตัดใช่ไหมครับตัดแต่งกุรานเอาส่วนที่รุนแรงออกไป ถามว่าเมื่อเราได้ยินถึงเรื่องการทําสงครามเนี่ยเราต้องรู้สึกแย่เสมอไปเหรอเราโตมาที่ไหนครับประเทศไทยใช่ไหมรู้จักเท้าเทีบกระสตีเท้าสีสุนทรไหมครับยาโมรู้จักนะรู้จักพระนารายพระนเดียสวนไหมครับรู้จักทั้งหมดทําไมคนไทยถึงรักไม่ใช่เพราะผ่านสงครามเลยถูกไหมครับ เพราะว่าถ้าเหล่านั้นน่ยได้ปกป้องคือสงครามมันไม่มีสิ่งที่ดีมัน ม, มีความศักดิ์ศิล์มัน ม, มีใครชอบสงครามแต่ว่าเมื่อถูกลุกแานเมื่อถูกคนชั่วมาอาธรรมมาทำร้ายเราคนที่เรารักมายึดทรัพย์สินของเราจะไม่ให้ป้องกันตัวเหรอแล้วคนที่ป้องกันตัวเราก็มองว่าเป็นวีรับุรุษวิรัตสตรีถูกไหมครับเด็กคนที่ว่าสามารถกอบกู้ประเทศได้สามารถให้ความช่วยเหลือคนได้แล้วก็รักพญาพิชัยดาบหักอะ สารพัดดูรายชื่อในประวัติศาสตร์จะพบว่าจริงๆแล้วมีประเทศไหนมั่งที่ไม่มีสงครามเราคิดไปสักประเทศผมคิดไม่ออกจะยุโรปจะอาหรับจะเอเชียจะตรงไหนก็ตามมันมีหมดเกือบทุกประเทศครับจุดเริ่มต้นก็คือต้องผ่านสงครามมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วบางท่านถึงกับบอกว่าไปดูในประวัติศาของมุสเซยชาติเลยไม่มีสิบปีไหนที่ไม่เกิดสงคราม คือมนุษย์ไม่เคยอยู่แบบสันติเกินสิปีมันต้องมีสักทลี่บนโลกแหละที่ทําสงครามเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นคือการที่อยากมีอยากได้ลุ้มหลวงในทรัพย์สินลุ้มหลวงในอํานาจเพราะต้นเหตุของสงครามครับที่เกิดความอาธรรมที่เกิดการชูไร้ายที่มันเกิดขึ้นถ้าเราดูในบริษัทประเทศไทยสงครามหลายๆครั้งก็คือเขาอยากจะมายึดนั่นยึดนี่เราอยากไม่ได้ทรัพย์สินของเราอยากได้เมืองขึ้นอยากได้แผ่นดินมันเกิดจากคนที่ละลานคนอื่น เพราะฉะนั้นสามที่สี่ที่ในกุรานอ่ะผมยกให้สิบที่เลยสิบที่ในกุรานเมื่อเทียบกับหกพันที่มันแสดงว่าอิสลามเป็นศาสนาบาลเลือสังใจให้ทําสงครามหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าอย่างน้อยที่สุดเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและอย่างน้อยก็ให้เขารู้แล้วว่าต้องไม่ตอบโต้ พฤติกรรมที่เลวร้ายด้วยกับพฤติกรรมที่เลวร้ปัญหาก็คือปัจจุบันเราทำได้ไหมครับพี่น้องไปดูโพสไหนก็ได้ในพันทิปใน Facebook ถ้ามีการด่ามุสลิมปุ๊บมีคนด่าตามไปด่าเขาบางทีด่าพ่อด่าแม่ด่าอะไรแล้วเขาก็บอกอ๋อมุสลิมมันเป็นแบบนี้แหละทั้งทั้งที่เราถูกด่าก่อนแต่พอเราด่าตอบมันก็เลยเจ้ากันด่าตอบมันเลยเจ้ากันเหมือนกับที่ เหตุการณ์ที่ว่าท่านอบูบักอยู่กับท่านนบีมัสมลลารองอเลสลามหเหตุการณ์ที่ว่าเราต้องตระหนักเราต้องพยายามทําให้ได้ถึงแม้มันจะยากแค่ไหนก็ตามที่ว่ามีคนมาด่าท่านอบูบักใช่ไหมครับท่านอาบูบักก็เงียบท่านนบีก็ยิ้มพอท่านอบูบักตอบโต้ปุ๊บท่านนบีไปไงครับหน้าบึ้งแล้วก็เดินหนีเลยท่านอบาบูบักไปถามมันเกิดขึ้นอะไรยายดารสลูลล้อผมโดนดา่าถิ่นท่านยิ้มพอผมสวนเขาปุ๊บท่านกลับมาหน้าบึ้งแล้วจากไปท่านนบีก็บอกว่าตอนที่คุณอดทนเนี่ย พอเรเลาะให้มารากามาช่วยจัดการให้แล้วแต่พอคุณเถียงปุ๊บมันอยู่ระดับเดียวกันมาราการหรือไม่ช่วยเอาล้อหนีอไม่ช่วยอยายัก์กุรานที่เอาล้อพูดไว้ชัดเจนที่เราต้องทําให้ได้ต้องพยายามทําให้ได้ไม่ใช่แค่กับคนต่างศาสนิกกับครอบครัวเราต้องทําให้ได้เน้นนะไม่ใช่ ค, คนศาสนา ก, กับมุสลิมด้วยกันกับครอบครัวของเรากับคู่ครองของเรา หวลกเ า, กาว า, วาราคุณาฟัดดนลิใัจลันฟั ด, ดูมินาลฟฟนวสสละหในเพราะก่าในรอานว่าไงครับหากว่าเจ้าคือมฮัมมัดเนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจที่หยาบกระด้างมีคำพูดที่หยาบคายใจหยาบกระด้างคาพูดที่หยาบคายคนที่อยู่รอบข้างเจ้าจะหายไปหมดเป็นความจริงไหมครับเป็นอย่างนั้นจริงก็คือต่อให้เราพูดความจริง ต่อให้เราพูดสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าการนําเสนอมันเป็นการใช้เมรยาที่ตําซมไม่มีใครรับได้เหมือนกับเราเจอคนผิดแล้วก็บอกแกเนี่ยเธไปแกช่วนี่เธอไปเลวนเนี่ ย, กยแ ก, นแแกนนนนนเนี่ยเรเกียดแกเลยเนี่ยเกลตระวังเลยนะลงนะลกเนี่ยคนฟังรู้สึกไงครับอยากต่อยหน้าคือไม่รู้แหละฉันผิดฉันไม่ผิดฉันไม่รู้แต่ตอนเนี้ยฉันอยากต่อยหน้าคือธรรมชาติของเราไม่มีใครอยากโดนประจาน ไม่มีใครอยากโดนปรนามเหมือนกับเพจการเลสเซเว่ท่านอบีหลายครั้งที่ว่าคนทําผิดมาท่นานอบีก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้พูดอะไรปัญหาอยู่ตรงไหนท่นานอบีก็ไปแกะตรงนั้นมีคนมาฉี่ในมั ส, สยิดใช่ไหมท่นานอบดุลเบียก็ไปด่าว่าเขากระสั่งให้อานํามาทําความสะอาดมั ส, สยิดมันก็จบปัญหามีเยาวชนคนหนุ่มมหาหาทนบีแล้วขอเปลี่ยนบทบัญญัติอิสลามจีนาการผิดประเวณีมันฮารอมใช่ไหมผมขอฮาลานได้ไหมท่นานอบีแทนที่จะโกรธท่ธนานบีก็พูดให้เ้าไดคิด ถ้ามีคนมาทําซีนากับลูกหลานคุณกับแม่คุณกับคู่ครองคุณคุณชอบไหมเขาบอกก็ไม่ชอบท่านนบีก็บอกว่างั้นสิ่งที่คุณไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวคุณทําไมคุณจะไปทำมันกับคนอื่นชายหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าไงครับเขาขอสาบานต่อเลา ว, ว่าก่อนที่จะมาหานบีเนะี่ยเขาอยากทําซีนามากที่สุดเขารักการทําซินามากที่สุดแต่พอคุยกับท่านนบีมัมศลสลามปุ๊บเขาเกลียดการทําซีนามากที่สุดเลย นอกจากความเมตตาของ Allah มันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะรูปแบบที่ดีเพราะการให้อภัยเพราะการพูดอย่างมีสติเพราะฉะนั้นทั้งปัญหาของในสังคมทั้งในปัญหาของในครอบครัวโดยเฉพาะในครอบครัวเพราะว่าครอบครัวคู่สามีภรรยาเป็นคู่ที่ให้อภัยกันบางครั้งก็ยากจนไปบางครั้งเราให้อภัยกันยากเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าเรามันผิดเขาผิดจริงๆแล้วมันก็อยากจะเหน็บแนมหน่อยอันก็บอกแล้วมาเจี๊ย หรืออะไรก็ตามแต่เท่าที่จะพูดมาเหน็บมาแหนมกันให้เจ็บปวดกันซึ่งท่านอบีมัสลิมสลัมไม่เคยทําไม่เคยทำนั้นประเด็นเรื่องของการทําศึกสงครามอายะต่างๆบทคําสั่งใช้ในคุรานนั่นจะชัดเจนคือจริงไฟล์ของ mm hmm. ดอรสุชาติก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับคิดว่าหลายท่านน่าจะได้ดูมาแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่ปิดใจเขาก็ปิดใจอย่างนั้นแหละเพราะเขามีเป้าหมายของเขาคือไอ้ที่เขาพูดมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงของเขา เตุผลที่แท้จริงก็คือเขาอยากให้ไม่มีมุสลิมแค่นั้นแหละเพราะงั้นเราจะยกเหตผลดีแค่ไหนก็ตามคุรานเป็นคําสอนที่ดีนะแบบอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์มีประโยชน์<ม>ครับเกิดาแลแบบา้วก็เขาตั้งเขารู้อยู่แล้วสิ่งที่เขาพูดครับเพราะเขาตั้งใจยกมาแค่าบา ง, บางส่วนเขาจะชัดเจนเพียงแต่ว่ามีผู้ตามหลายคนที่ผมมั่นใจว่าไม่ได้รู้อะไรเลยก็คือรับฟังมาปุ๊บก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นครับ ครับเดี๋ยวเรารับอาจารย์แล้วมาต่อในส่วนที่เรายังไม่ได้คุยกั น, นชาวละครับ All uh right. -huh. ครับนั้นผมขอย้อนกลับไปสรุปนะครับในช่วง5้าข้แรกที่ผมว่าสุรนี้รวมสิ่งที่เกินความสามารถมนุษย์ไว้3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือพวกอเราได้ใช้จำนวนเดียวในการสื่อถึง2เรื่องใช้จำนวนเดียวได้2เรื่องเรื่อ ง, องม้าที่ทําสงครามกับเรื่องอูดที่ไปแสวงบุญพาคนไปแสวงบุญ จำนวนเดียวหวร์สื่อถึง2เหตุการณ์อันนี้หนึ่งอันที่สองทั้ง2เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่ให้ความรู้สึกตรงข้ามกันก็คืออันนึงรุนแรงหนักหน่วงสงครามกับอีกอันหนึ่งสงบอันที่สมก็คือทั้ง2เหตุการณ์สื่อถึงเรื่องเดียวคือสื่อถึง2อย่างที่ผมบอกไว้ก็คืออย่างแรกแสดงถึงความเมตตาของลอเทสปรัจจุศมาแก่มนุษย์เพื่อเอาไปใช้ในการยังประโยชน์ในชีวิตของเขาแล้วก็ไปใช้ในการทําอิบาดะด้วยแสดงให้เห็นถึงความได้ความสามารถของมนุษย์เรา จะทำความดียังต้องให้อัลลอฮ์ช่วยยังต้องใช้สเปียา ก, การอนขออัลลอฮ์นี่คือเหตุผลว่าเวลาเราละหมาดเสร็จแล้วจะขอโดยว่าเป็นประจำว่าอัลลอฮุมมาอินนีอัลอาดิกิกะวกูสุกริกะวกูสุนีอิบารัดีโอ้อัลลอฮ์โปรดช่วยให้เราช่วยให้เราช่วยเราให้สามารถทำสำเร็จทำอะไรสำเร็จครับลำลึกถึงพระ อ, องค์ขอบคุณต่อพระ อ, องค์และทำอิบารั์อย่างดีเพื่อพระ อ, องค์ ต้องขอให้เราช่วยนั่นก็คือประเด็นแรกนี่คืความเมตตาของเราแล้วก็ประเด็นที่สองสิ่งที่เราได้ก็คือว่าช่างน้าสงสารแทนคนที่ว่าไม่สามารถทําให้อลลอรัสรักได้ถ้าเขาทําพระองค์จะตอบแทนเขาในขณะที่สัรพสัตต์ต่างๆทำพระองค์ไม่ได้ตอบแทนไม่ได้ให้อะไรเพราะนั้นถือว่าน่าสงสารถือว่าน่าสงสารคือจะสื่อถึงมา้าหรือจะสื่อถึงอูตก็ตามสัตว์สองอย่างนั้น เหมือนกับจะประเสริฐกว่ามนุษย์บางคนซะอีกเหมือนกับที่เรกกาเก่าในกุรานครับว่าคนบางคนเน่ยเขาเหมือนกับปัสุสัตว์แต่ถ้าว่าเขาเร็วลายยิ่งกว่าปสัสุสัตว์ซะอีกสมัยนี้มีให้เห็นทั่วไปลูกที่เนรคุณพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่จบดีพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่ทิ้ล้าทิ้งลูกเอาทำแทงลูกบางทีสัตว์มันยังไม่ทำสัตว์มันยังไม่ทำแต่วงมนุษย์ทำครับขอเร้องคุมค้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากการเป็นมนุษย์ที่ดื้อดึงละกันนุษย์ เรามาดูต่อไปครับเรามีเวลาอีกนิดหนึ่งคืออย่างที่บอกส่วนนี้ค่อนข้างจะมีหลายประเด็นซึ่งผมเก็บได้ไม่หมดเรามาดูอายะที่เหลือๆครับที่ตามมาครับผมหลังจากที่พระองค์บอกในยะที่แปว่าไวอินนูลิฮุปิลคอยดีรชชดีตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นเขาลุ่มหล ง, งคลั่งไคลในทรัพสมบัติอย่างมากมายซึ่งเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนยกเว้นผู้ที่อัลลอฮ์เมตตาพวกเขาอฟาฟาเลยาและมอิดะโบซิราฟิลกูบูรหลังจากที่ตอนแรกว่ารสาบาน พงศ์ได้บอกว่าทำไมถึงสาบานก็คือพอมนุษย์เนะี่ยดื้ดึงแล้วพงค์ก็ได้บอกผลที่จะตามมามีเหตุมีผลถ้าเราดูครับจำนวนนกุรานในส่วนนี้มีทั้งเหตุมีทั้งผลมีทั้งคำนำเนื้อหาเนื้อความครบเขาไม่รู้หรือว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยเวลาสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยมันจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือเขาไม่เชื่อแะว่าพง์จะสามารถเอาคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้ ทั้งๆ ท, ที่พระองค์ทาสิ่งที่ยากกว่านั้นได้สิ่งที่ยากกว่านั้นคืออะไรครับสร้างพวกเราทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆสร้างให้เกิดมาเป็นพวกเราทุกคนที่นั่างนนี้เพราะนั้นของที่เคยมีแล้วอ่ะครับถ้าเกิดดูเหมือนกับโปรแกรมเมอร์ไอตอนแรกที่เขียนโปรแกรมน่อมันยากแต่ถ้าเขียนได้แล้วมีโปรแกรมแล้วถ้าลบไปจะกู้มามันง่ายกว่าง่ายกว่าม่นั่งเขียนใหม่หมด เพราะนั้น in ในการเริ่มสร้างมันยากกว่าเมื่อพระองค์เริ่มสร้างคุณสรรพสิ่งได้ทําไมเราบางคนถึงยังคิดว่าพระองค์ไม่สามารถจะฟื้นคืนชีพได้หรอือหรือบางคนเชื่อว่าเราจะฟื้นคืนชีพแต่ไม่ได้คิดจริงจังว่าเขานั่นแหละจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาว่ฮุสเซลมาฟิสูรูดพอเมื่อถึงเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาพราเอเราเอาให้สิ่งที่อยู่ในดินออกมาได้พระองค์ก็เอาสิ่งที่อยู่ในใจออกมาได้เช่นเดียวกันสิ่งที่อยู่ในดินคือวัตถุของที่เป็นวัตถุ พวง ก, ก็ออกมาได้จะเป็นสะสารหรืออาสะสารพวงสามารถออกมาได้หมดเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ในใจเราคิดอะไรบ้างเวลาเราทําอะไรตอนที่เราตื่นมาเราคิดอะไรเราทําอะไรเพราะอะไรแล้วเกิดผลอะไรตามมาแล้วเราตอบแทนกับมันอะไรยังไงพวกเรารู้หมดซึ่งพวกเราบอกว่าองครับสิ่งที่ถูกปิดบังทั้งหมดจะถูกตีแผ่เรื่องที่ไม่เคยบอกใครทุกเรื่องจะเป็นเรื่องน่าอับอายแค่ไหนจะเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายแค่ไหนจะเป็นเรื่องที่ดีงามแค่ไหน พอเราจะมาตีแผ่ให้ได้รู้กันหมดเลยต่อหน้ามนุษย์ทุกคนที่เคยมีชีวิตยอยู่บนบุตรแผ่นดินนี้และต่อหน้ามารายแกะต่อหน้าสรรสิทธ์ทั้งหมดรวมทั้งต่อหน้ายินด้วยคือถ้าจะอายก็ไปอายทีเดียวกันตอนนั้นแบบยืนอยู่คนเดียวเป็นพระเอกตัวเด่นนะครับแล้วถูกฉายภาพให้เห็นว่าทําอะไรบ้างแล้วคนทั้งหมดเห็นโอ้ยนี่หันเหมือนเป็นคนเดียวเลยนะอาจารย์นั้นมันอูด้ดีอ๋อาตะแต้แตะอาจารย์ผมก็กลัวนะผมพูดนี่คือผมกลัวนะ ก็ขอดูอาจารย์เล่าให้ปกปิดเรื่องที่น่าอายของพวกเราอะอินนารับบะหุมบิหิมเยามาอิสินและคาบิเอแน่นอนครับผู้อยู่บ้านของพวกเขาผู้ที่ดูแลพวกเขาผู้ที่รับพวกเขาผู้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เขาในดุนยาย่อมรู้ดีถึงตัวตนที่แท้จริงของเขารู้ดียิ่งกว่าที่เรารู้จักตัวเองซะอีกปัจจุบันถามว่ามีใครที่รู้จักเราดีกว่าตัวเราไหมครับมีนะพวกสือ่อ พวก a c e b o o กพวกไลนะครับบางทีเรายางเรายังไม่รู้เลยเราชอบอะไรมันยิงโฆษณามาแล้วเพราะได้ข้อมูลเราบางส่วนไปประมวลแล้วคิดดูกับพระองค์แลผู้สร้างเรามารู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเราจะมีอะไรบ้างที่จะปกปิดจากพกระองค์ได้แล้วพระองค์เราก็ได้บอก้วยว่าพระยรบางของเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ที่หลงลืมครับขอด้วยจากพระาง์ให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ได้รับประโยชน์ได้รับสาระจากคาพูด อันยิ่งใหญ่อันมีเกียรติของพระองค์ขอให้เราเป็นกลุ่มชนที่ว่าได้รับฟังสัจธรรมแล้วก็ได้ยอมรับสัตธรรมแล้วก็ได้ปฏิบัติตามสัตธรรมนั้นได้แล้วก็ขอให้เราเป็นกลุ่มชนที่ได้รู้ว่าสิ่งไหนเป็นผิดแล้วก็ได้ออกห่างจากสิ่งที่ผิดเหล่านั้นแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่มีอารยญาติที่ดีขอให้เราเป็นหน er ึ <icky S 2> ่งในกลุ <i> ่มชนที <lastly> ่ว่าสามารถอย่างน้อยที่สุดทําตัวเป็นอิสลามเดินได้ที่ทําให้ คนที่ไม่เข้าใจเขาได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วอิสลามเราไม่ใช่ศาสนาที่ป่าเถื่อนไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้คนนั้นเห็นแก่ตัวถึงแม้ว่าจะมีคนที่เห็นแก่ตัวหรือคนที่อะไรในที่อ้างว่าเป็นมุสลิมนั่นเป็นเรื่องของตัวเขาที่เขาละทิ้งคําสอนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็คือขอละคัดเลือกพวกเราทุกคนให้เป็นตัวแทนของพระงค์ในหน้าผืนแผ่นดินนี้แล้วก็ได้ช่วยกัน ร, รักษาศาสนาของพระองค์จนถึงวันที่เราเสียชีวิตด้วยเถอดอาเมน أ ق و ل เ ل ้ هذا و า ا ب ่าข้ ل พ ا ل ้าเป็ ل คนท ل ่ม ل ค ل ามเชื่อในพระเ ا ้าแล و ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระบัญญัติที่ชัดเจนในพร ا ل รรมคัมภีร์และข้าพเจ้ารู้ว